บรรยายเมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2549นี้ก็มาคุยกันต่อความจริงเรื่องเกี่ยวกับเทวดาเรื่องการนับถือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าคุยกันเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศของสังคมไทยเหล่ามากแต่ว่า เราคุยกันเราก็คุยในแง่ที่มาสัมพันธ์กับพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าสัมพันธ์กับพุทธศาสนาแต่ต้องมองในแง่ที่โยงมาหาการดําเนินชีวิตของผู้คนทั่วไปโดยเฉพาะก็คือความเชื่อถือและการประพฤติปฏิบัติของประชาชนในสังคมไทยซึ่งเมื่อเรามีความรู้แล้วก็จะทําให้เรา มองเห็นแง่มุมที่ว่าอะไรเสียหายอะไรที่ควรจะแก้ไขปรับปรุงทําให้ดีขึ้นทีนี้ถ้าไม่รู้บางทีเราเองก็ลงเข้าใจผิดบางทีก็จับมาเป็นพุทธศาสนาไปด้วยอะไรนี่หรือจับแง่จับมุมในเรื่องนั้นไม่ถูกว่าพุทธศาสนามองอย่างไงที่พูดไปแล้วก็พูดเยอะแล้วแต่ที่จรงิงมีอีกเยอะเลยที่ควรจะพูดแต่ที่ควรจะย้ําก็คือเรื่องเนี้ยที่ว่า หลักการใหญ่เมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทําให้เปลี่ยนแนวคิดพื้นฐานจะเรียกว่าหลักการใหญ่หรือเปลี่ยนจุดยืนก็ได้ก็คือจากเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดอันนี้ที่สําคัญมาเมื่อเปลี่ยนอันนี้แล้วทุกอย่างเปลี่ยนหมดเพราะหลักการใหญ่เปลี่ยนอันหนึ่งก็เปลี่ยนตามคงเข้าใจนะก็ะยกตัวอย่าง ง, ง่ายๆก็ เมื่อนับถือเทพเป็นใหญ่เทพเป็นผู้สร้างสารรค์บรรดาทุกอย่างรวมทั้งวิถีชีวิตโชคชะตาของคนคนก็ต้องเพ่งความสนใจไปที่เทพเจ้าก็เทพเจ้าท่านเป็นผู้ที่จะบรรดานคนก็ต้องไปเอาอกใจท่านการเอาอกใจก็ต้องไปอ้อนวอนมันก็ทำให้เกิดพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะก็คือการเส้นสวงที่อินเดียเรียกว่าบูชายัน มันก็เกิดเรื่องของการสัมผั์ระหว่างสิ่งสูงสุดที่นับถือการมนุษย์ด้วยการที่ไปอ้อนวอนขอผลอันนี้วิธีปฏิบัติมันก็กลายเป็นเรื่องของการเส้นสวงการทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเท่านั้นแต่ว่าในเมื่อเปลี่ยนจากเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดธรรมก็คือความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาของมัน ธรรมะความจริงธรรมดามันไม่มีจิตมีใจแล้วมันก็อยู่เข้ามันตามธรรมดาเข้ามันไม่เข้าใครออกใครก็เป็นเรื่องของคนที่จะต้องไปรู้เข้าใจมันต้องไปรู้เข้าใจธรรมะและปฏิบัติให้ถูกไม่เหมือนความสัมผันธสคาเทปปัจ้าสัมผันสคาเทปปัจ้าก็พยายามไปเอาอใจท่านลักษณะการปฏิบัติก็ไปอีกทิศหนึ่งเลย หาทางทําไงท่านจะชอบท่านจะพอใจท่านจะหายโกรธท่านจะไม่กริ้วไม่พิโรธก็ทําอย่างนั้นในพอหันมาหาทางสูงสุดก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาปัญญาท่านนั้นก็กลายไปว่าตัวเองจะต้องรู้เข้าใจตัวธรรมะความจริงนั้นด้วยการที่สร้างปัญญาขึ้นมาปัญญาของตัวเองแล้วเมื่อรู้ความจริงแล้ว ภาพจริงมันเป็นยังไงยังเหตุปัจจัยเหตุอะไรให้เกิดผลอะไรก็ต้องไปทำเหตุปัจจัยนั้นเพื่อให้กฏผลที่ต้องการแล้วก็ต้องทําอาวุธก็ต้องใช้วิธีการกระทําด้วยความเพียรพยายามเพราะคนไม่มีความเพียรมันก็ทําอะไรไม่ได้มันก็ไม่เดินนเนี่ยก็เลยทําให้ทุกอย่างในาศาสนาเปลี่ยนไปหมดเล ย, เยวิธีปฏิบัติอะไรต่างๆเปลี่ยนห จากการที่ว่าไปอ้อนวอนบูชายันเส้นสวงอะไรต่างๆองค์อจายเทพเจ้าแล้วก็ไปปรึกษาพราหมณ์ให้ทําพิธีก็กลายเป็นว่าตัวเองต้องมาศึกษาพัฒนาชีวิตของตัวเองหลักของธรรมะก็เลยนําไปสู่การที่ต้องศึกขาต้องเรียนรู้และจุดหมายในการศึกขาศึกษาพัฒนาชีวิตของตัวเองก็คือให้เกิดปัญญา รู้เข้าใจตัวความจริงนั้นที่เรียกว่าธรรมเพราะปัญญาเป็นตัวธํามให้มนุษย์เนี่ยเข้าถึงธรรมะเป็นตัวเชื่อมโยง ม, มนุษย์เข้าถึงธรรมะเมื่อรู้ธรรมะแล้วทีนี้ก็ต้องทาตามไอ้ตัวธรรมหรือความจริงนั้นโดยมีความเพียรก็เลยมีหลักจากศิกขาเนี่ยเกิดปัญญาเป็นสูงสุดก็ต้องมีกรรมการการะทาสาเร็จด้วยกรรมเกินกระทา ละกามการกระทําจะสําเร็จได้ต้องมีความเพียรก็ต้องมีวิริยะนนเนี่ยเนี่ยหลักพุทธศาสนาก็มาหมดหลักสิกขาสิกเผลออะไรก็มาเพราะอันเนี้ยทีนี้นทางทางที่พุทธศาสนาสอนอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เรียวกว่าชาวพุทธจํานวนมากก็ยังไม่ค่อยเข้าใจจับหลักนี่ไม่ค่อยถูกแล้วก็ยังไปเชื่อถือปฏิบัติตามลัทธิความเชื่อเก่าๆอยู่อันนี้หลักการพื้นฐานก็เป็นอย่างที่ว่า ทีนี้ในเรื่องธรรมะเป็นใหญ่เนี่ยมันก็มีหลายระดับในแง่ที่ว่าพอมาสัมพันธ์กับคนส่วนใหญ่ที่เราบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้ามาสอนคนเนี่ยองค์ก็มีพระปัญญาแล้วก็จะให้เขาเข้าถึงปัญญาด้วยพระองค์ก็ต้องใช้กรุณานี่คนที่ก็ยังไม่พร้อมทํำยังไงก็ต้องหาวิธีนะหาวิธีทําให้พร้อมตอนเนี้มันก็ทําให้มีเรื่องของการปฏิบัติต่อคนส่วนใหญ่ หรือคนโดยเฉลี่ยก็เลยมีไอ้วิธีปฏิบัติที่เป็นเรื่องของสะพานหรือสื่อเพื่อจะมาโยงเข้าหาวิธีที่มันจะนำขึ้นไปหรือให้การศึกษาโดยแม้แต่ไม่รู้ตัวอันนี้เมื่อเขาอยู่ในสังคมแบบเดิมก็กลายเป็นว่าบางทีต้องไปยอมรับเขาเหมือนกับว่าเขาเชื่อถืออย่างไรก็ต้อง ไม่ถึงกับไปด่าว่าหรือไปหักล้างทันทีถ้าคนไหนเฉพาะหลายบุคคลเขามีปัญญาเข้าใจได้ก็เอาเลยจะเห็นว่าบางรายพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกก็สอนแบบที่เรียกว่าฉับพลันทันทีเลยก้าวทีเดียวมาถึงเลิกละกันไปเลยแต่ว่าคนจํานวนมากนะ่ะมันไม่ได้หรอกก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่ว่าเป็นเวรใน เนี่ยก็เป็นเหตุให้มีเรื่องของวิธีสื่อสารที่ยอมรับข้อปฏิบัติของเขาแม้แต่เรื่องการนับถือเทวดาของเขาก็กลายเป็นว่ามันก็เข้ามาสู่พุทธศาสนาได้ทีนี้ในเมื่อเราไม่ไปล้มล้างเช่นความเชื่อเรื่องเทวดาแต่ว่าเราต้องการที่จะให้เขาปฏิบัติให้เข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องหลักการมันมีอยู่ว่า ธรรมะเป็นใหญ่คนจะต้องรู้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยความเ พ, ย, พยายามของตนไม่ใช่มุมอ้อนวอนหวังพึ่งการดนบรันรดาลอยู่นี่ถ้าหากว่าเราจับหลักนี้ไม่ได้แดยเฉพาะประชาชนส่วนใหญ่เนะี่ยเขาเนึ้อาพุทธศาสนายังยอมรับเทวดาอยู่ก็เลยนึกว่าเหมือนเดิมอา้าวอย่างงั้นก็อ่อนวอนเทวดาต่อไปเนี่ยมาเกิดปัญหาตรงนี้ ตงเนียยคือที่ว่าเรื่องละเอียดอ่อนจะว่าละเอียดอ่อนก็ได้เพราะว่าสัมพันธ์กับคนจนํานวนมากที่ว่าจะต้องจับจุดให้ถูกพุทธศาสานานี่ใช้หลักกรุณาก็ไม่ไปล้มล้างหักล้างความเชื่อเขาไม่ไปบังคับเขาเมื่อไม่บังคับมันก็ธรรมดาเนี่ยก็ต้องพยายามให้เขาค่อยๆเรียนรู้ขึ้นมาทีนี้ถ้าพระเองไม่เข้าใจและไม่ยืนอยู่ในหลักและไม่มีกรุณาจรงิงๆก็ไม่มีความเพียรพยายามที่จะช่วยเขาเนี่ มันก็ปล่อยแปร ล, ละเลยและบางทีตัวเองไม่เข้าใจด้วยก็เลยกลายเป็นว่าทำให้หลงไปตามๆกันตัวเองก็อาจจะหลงด้วยพาเขาหลงด้วยเนี่ยที่ทำให้มันเกิดปัญหากันมากมายอย่างเดียวนี้ชาวพุทธก็จับหลักไม่ค่อยได้ว่าเอะชาวพุทธก็ยังนับถือเทวดานี่อย่างงั้นเอานับถือพระพรม เออมีพระพร่งก็ไปอ้อนวอนสินะไปบวงสรวงขออย่างนั้นงี้บนบานสารกล่าวอะไรเงี้ยเนี่ยก็ขิดจับหลักไม่ได้คือพุทธศาสนาเนี่ยจะเปลี่ยนไม่ได้หักล้างลมล้างความเชื่อเรื่องเทวดาอา้าวเทวดาก็ยังนับถือได้แต่ว่าท่าทีในการนับถือก็เปลี่ยนไปเกยนับถือในฐานนะท่านมี อำนาจดนบันดาลต้องไปอ้อนวอนเอาอกเอาใจท่านพุทธศาสนาก็มองว่าเออเทวดานี่ก็คือท่านผู้ใหญ่ท่านที่มีคุณธรรมความดีจะเรียกว่ามีภูมิธรรมภูมิปัญญาสูงกว่าคนทั่วไปโดยเฉลี่ยแต่นั้นก็เหมือนกับนับถือผู้ใหญ่ก็นับถือท่านซะอยู่ในโลกในสังคมเดียวกันเนี่ยเราก็นับถือกันมี หลักอยู่แล้วว่าปฏิบัติกันด้วยเมตตากรุณามุติตาวเบขาตลอดทั้งหมดน่ะเดี๋ยวผมมีหายสี่ก็อยู่ร่วมกันได้ดีได้มีไมตรีเป็นต้นแต่ก็อยู่กันแค่นั้นนะอยู่ด้วไมตรีมีการแผ่เมตตาให้เป็นต้นก็เหมือนกับว่าเรามีหลักการแผ่เมตตาแม้แต่สุดมนต์เราแผ่เมตตาให้สัาาสตว์ก็รวมทั้งการแผ่ให้เทวดาด้วยเช่นเดียวกับแผ่ให้กับแมว เราแผดเมตตาให้กับแมวชั้นใด้เราก็แผ่เมตตาให้เทวดาด้วยก็ไม่ได้เว้นอะไรก็คืออยู่ด้วยกันได้ดีเขาลบนับถือกันก็เท่านั้นเองเราก็อยู่ร่วมกับเทวดาได้นับถือท่านว่าเป็นผู้ใหญ่มีเมตตากรุณาแต่ไม่ไปหวังผลบุญบรรดาจากท่านอันเนี้ยที่สำคัญมากเพราะนั้นพุทธศาสนาก็จะมีการว่าให้ทำบุญอุทิศเทวดาเออก็ได้ คุณยังนับถือเทวดาก็ทาบุญก็อุทิศกุศลให้เทวดาด้วยเวลาจะทำอะไรที่ดีๆก็นึกถึงเทวดาด้วยแล้วบางทีเขายังไม่พร้อมก็เป็นเครื่องปลอบประโลมใจด้วยอย่างที่เคยเล่าบ่อยๆเหมือนอย่างการชุมนุมเทวดาเนี่ยที่จริงควรจะเน้นเพราะว่ามันอยู่ในพิธีกรรมที่ชาวบ้านเห็นบ่อยๆชาวพุทธก็ไม่เข้าใจว่าชุมนุมเทวดาคืออะไร พระจะสวดมนตทีหนึ่งมีพิธีใหญ่ๆทำบุญงานมงคลมีงานแต่งงานงานทำบุญอายุวันเกิดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่สถานที่ราชการเปิดอะไรเนี้ยมีการชุมนุมเทวดาก็คงนึกกันแม่นี่พระยะอุตสาหหรือพระยังต้องขอร้องเทวดาให้มาช่วยคล้ายๆว่าเทวดาคงจะมาช่วยเพื่อจะมาบันดาลอะไรให้ เนี่ยไม่เข้าใจเลยที่ไหนได้ไม่ได้ดูหรอกว่าในคําชุมนุมเทวดานั้นลองแปลดูสิว่ายังไงแปลลงก็ก็ไม่มีอะไรเวลาสวดมนต์นี้ก็คือว่านําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสวดก็ให้ประชาชนได้ยินเช่นมงคลสูตรเอเสวนนาเจพาลานังปณิตานันจะเสวนนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังค า, ามุตตัมมัง บอกว่าไม่คบคนภานคบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชานี้แหละเป็นมงคลอันสูงสุงสดอย่างนี้เป็นตนน้นเนี่ยอ้าวก็ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้เราจะเอามาสวดสาธยายคนฟังก็ได้ฟังจากชาวบ้านเออเราก็นึกถึงว่าเทวดาท่านก็ยังต้องฝึกฝนปฏิบัติตนเองอยู่เทวดาส่วนมากก็ยังเป็นปุถุชนเนี่ยใช่ไยังมีกิเลสก็ยังต้องพฤติปฏิบัติทำต้อง ปฏิบัติตามหลักใจสิกขาตั้งพัฒนาตนขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ควรจะมาฟังธรรมและจะได้เอาธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติไปฝึกตนเราก็นึกถึงเทวดาด้วยก็เลยชวนเทวดามาฟังธรรมด้วยว่าเออเราใจเผื่อแผ่ต่อเทวดาไม่ใช่ฟังเฉพาะในชาวบ้านมนุษย์เท่านั้นนะแต่อีกแง่หนึ่งก็มีความหมายด้วยว่าคือชาวบ้านเหล่านี้บางทีเข้ามาสู่พุทธศาสนาใหม่ๆและพุทธศาสนาเมื่อไม่บังคับเนี่ย ใจคนมันก็กำกำกึ่งๆในแง่หนึ่งก็ยังห่วงว่าเออเรามานับถือพุทธศาสนามาอยู่กับพระเนี่ยเทวดาของเรานี่ท่านจะว่าไงก็ไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวท่านโกรธเอาเนี่พระท่านก็ชุมนุมเทวดาให้เนี่ยเป็นการบอกไปในตัวบอกว่าโอ้ยเทวดาท่านก็พวกเดียวกันเราอะท่านก็นับถือพรนะเนี่ยอยากมาฟังธรรมด้วยเพราะว่าชาวบ้านได้ยินพระชุมนุมเทวดาบอกเทวดามาฟังธรรมด้วยกัน ชาวบ้านก็อุ่นใจว่าโอ้เทวดาพวกเราเกาก็มาฟังธรรมกับเราด้วยพวกเดียวกันใจก็มีกำลังมากขึ้นจิ่ใจก็พร้อมที่จะฟังธรรมนั้นในคําชุมนุมเทวดาก็บอกหมดสักเคกาเมจลูปเปคิริสิคราตะเตจันตลิเควิมาเนบอกหมดเทวดาอยู่ไนะอยู่ไนะอยู่ไนะอยู่ในนะนะในนั้นอาจจะบอกว่าเป็นที่ไหนบ้างทุกขนทุกแห่งสารพัดว่าจะรัไหนไป เทวดาจะอยู่ที่ไหนก็ตามลงท้ายบอกว่าธรรมมัตสวรกาโลอยามพันรรตาท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาฟังธรรมธรรมมัตสวรณกาโลอยามพันตาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายถึงเวลาฟังธรรมแล้วก็คือบอกเทวดาบอกว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามถึงเวลาฟังธรรมแล้วเชิญมาฟังธรรมก็คือบอกเทวดาให้มาฟังธรรมด้วยเราไม่ได้ขอร้องให้เทวดามาทําอะไรเลยนี่เห็นไหม เนี่ยถ้าเข้าใจแม้แต่เรื่องนี้ก็จะชัดว่าเราอยู่กับเทวดาแบบ Mid ri, มิตรเมตรีมีเมตตาต่อกันแล้วคติพุทธศาสนาเนี่ยจะคุ้มไปหมดเลยนะท่านจะเห็นว่าหลักการเรื่องเนี่ยมันไปถึงแม้แต่การดําเนินชีวิตของเทวดาเรามาดูเอาง่ายๆเรื่องเทวดาที่มีมาในรัธิศาสนาแต่ก่อนเนี่ยนอกจากความความหมายหลักที่ว่า อยู่คนละฐานอยู่คนละจุดยืนเทวดาอยู่จุดยืนหนึ่งว่าเป็นผู้มีอำนาจดนบันดาลธรรมะคือความจริงตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมดาของมันตามเหตุปจัจจัยเป็นต้นนี้คนละฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเทวดากับธรรมะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเรามองดูเนะีเทวดาที่นับถือกันมาเนี่ยมันเหมือนก็นเกิดจากที่ว่าความคิดของมนุษย์นะ่ยมนุษย์ก็มองดูพวกมนุษย์ด้วยกัน ที่มีอำนาจเป็นใหญ่เช่นเป็นพระเจ้าเบอรดินเป็นผู้ปกครองใช่ไหมมีอำนาจแล้วท่านเหล่านั้นถ้าเกิดพิโรธโกรธเกลี้ยวขึ้นมาเรามีอำนาจตัดหัวได้เลยใช่ไหมเนีก็เหมือนกันเนี่ยเวลาตัวเองมานึกถึงเทวดาจะเห็นว่าเทวดาเนี่ยก็เหมือนกับผู้มีอำนาจนั่นเองคล้ายว่าถ้าโกรธขึ้นมาเราก็จะทําร้ายรุนแรงถ้าท่านโปรดท่านพอใจก็จะให้ประโยชน์ ช่วยดนบรรดาสิ่งที่พอใจให้อย่างดีที่สุดเลยเนี่ยคนก็นึกถึงเทวดาอย่างนี้จนกระทั่งนักจิตวิทยาตะวันตกบางคนก็บอกว่ามนุษย์สร้างเทวดาขึ้นมาคือว่ามนุษย์เนี่ยบอกว่าเทวดาสร้างมนุษย์แต่ที่จริงอะ่ะมองกลับอีกทีก็คือมนุษย์เนี่ยสร้างเทวดาขึ้นมาและเทวดาที่มนุษย์สร้างก็มีนิสัยเหมือนมนุษย์นยั่นแหละถ้าลองดูเหมือนกันนะ่ยแต่ว่าเป็นมนุษย์ที่ ยิ่งใหญ่มีอำนาจมากแลนะเทวดาเหล่านี้ก็มีนิสัยแบบมนุษย์ก็เลยมนุษย์ก็ต้องเอาอเอาใจเราก็จะเห็นว่าเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในศาสน า, าพราหมณ์ที่เป็นมาเป็นยังไงละ่ะอา้าวพระอินทร์ก็เป็นนักรบใช่ไหมแล้วต่อมาพอถึงสมัยที่เสื่อมลงเขาก็แต่งเรื่องเป็นตำนานไปเป็นชู้ก็บพัญญาพระฤาษีอะไรเงี้ยนะถูกสาบบ้างอะไรบ้างแล้วก็พระพรหมเองที่ว่าเป็นผู้สร้างโลกเนี่ย อ้าพอสร้างโลกเสร็จก็ทําพิธีบูชายัญเรียกว่าสโมเมตอสโเมตก็คือฆ่ามาบูชายันและเสร็จแล้วต่อมาตอนที่พระพรหมจะเสื่อมลงเนี่ยสมัยที่พระนารายณ์ขึ้นพระศิวะอิศวนขึ้นก็มีเรื่องว่าพระพรหมเนี่ยไปล่วงเกินต่อพระนางปารวติซึ่งเป็นมเหสีของพระศิวะอิศวนพระศิวะหรือพระอิศวนก็เลยตัดเสียนที่ห้า คือพระพรหมเนะั้นมีห้าหน้าห้าพระพักไม่ใช่สี่นะมีข้างบนอีกอันหนึ่งนี่ พ, พระพักตทีห้าก็ถูกพระ อ, อิศวรตัดตัดด้วยไฟมองไหม่ไปหรือว่าบางตํานานก็ว่าตัดด้วยเล็บมือเล็บมือของพระ อ, อิศวนนะตัดเช็คเดี๋ยวไปเลยหัวพระพรหมลุดเลย พ, พระพรหมก็เลยเสียดขาดไปเสียดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ก็กลายไปว่าเทวดาเหล่านี้ยิ่งใหญ่ขนาดเป็นผู้สร้างโลกสูงสุดที่มนุษย์แสนจะ บ, บูชาก็ดูไปแล้วก็มีกิเลสเหมือนมนุษย์นะ แ, แย่งลูกแย่งเมียกันหรืออะไรทําร้ายกันฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยนี่เราจะเห็นว่านี่ทํามองในแง่ของธรรมะก็คือว่าเทวดาเหล่านี้ก็ไม่ได้มองถึงหลักความจริง ของทุกข์สุขของมนุษย์ที่จะต้องเข้าใจและมนุษย์มีความต้องการยังไงควรจะปฏิบัติต่อกันยังไงยังไม่ค่อยมีความรู้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ที่เราเรียกว่าธรรมะนี้แนะ่พุทธศาสนาที่เราให้มีธรรมะก็คือว่าเมื่อมนุษย์รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายเนี่ยมนุษย์จะเข้าใจชีวิตของกันและกันด้วยมองเห็นทุกข์สุขของกันและกันมองเห็นทุกข์สุขของตัวเองเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วก็รู้ความต้องการของมนุษย์ ว่าคนอื่นเขาต้องการหลีกเลี่ยงความทุกข์ต้องการความสุขและจะทํำยังไงจะให้เกิดความสุขแล้วก็ความสุขของมนุษย์มันเนื่องกันอยู่สังคมเราจะอยู่ได้ดีต้องไม่เบียดเบียนกันเราต้องทําสังคมให้ดีอันนี้มันก็กลายเป็นธรรมในภาคปฏิบัติที่มาจากหลักความจริงที่เป็นพื้นฐานอันนั้นก็โดยเหตุผลอย่างเนี้ยมนุษย์ก็จึงควรจะประพฤติปฏิบัติต่อกันได้ดีมีเมตตาธรรมเป็นต้นเราจะเห็นว่าพระพรหมตามคติที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย ถ้าจะมีเมตตากรุณามุติตาเบาิกขาไหมฮะตามคติของพราหมเขาสีพ่พระภาคของพระพรหมจึงไม่มีเรื่องเมตตากรุณามุติตาเบกขานี่มันเรื่องคติมาทางพุทธศาสนาของเขาก็อย่างที่บอกแล้วสีพ่พระภาคของพระพรหมก็คือพระเวทสี่หรือมังงนกาวันณะสีหรือยุกสีความหมายเป็นคนละเรื่องเลยเนี่ยเทวดาของพราหมณ์เขาก็มาอย่างเงี้ยซึ่งในแง่พุทธศาสนาเราจะเห็นว่าไม่ได้ประกอบได้ธรรมะอะไรเลย นี้พอพุทธศาสนาเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อประชาชนยังนับถือเทวดาเหล่านี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทวดาเหล่านี้หมดเลยเริ่มแตกพระอินทร์ก่อนพระอินทร์บอกแล้วว่าเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในยุคแรกที่ว่าพวกอารยันเข้ามารุกรานชมพูทวีปตอนนั้นพระพรหมยังไม่มีชื่อหน้าพระอินทร์ใหญ่ต่อมาพอเข้ามาตั้งหลักแหล่งได้ดีและ พระอินทร์ยิงเสื่อมตอนแรกพระอินทร์ยิ่งใหญ่เนี่ยพระอินทร์ยิ่งใหญ่นั่นตำนานเขาฝ่ายพราหมณ์เขาบอกว่าพระอินทร์เนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมาด้วยกระทาการบูชายัญที่เรียกว่าอาโุเมศเนี่ยร้อยครั้งว่างั้นโอโ้ยิ่งใหญ่เหลือเกนะินเน่ยอ้าวเนี่ยแล้วต่อมาพระอินทร์ก็เสื่อมประพฤติเหลวไหลที่ไปเป็นชู้พัญญาพระฤาษีและยังที่ว่าเนี่ยแล้วเทวดาเหล่านั้นมนุษย์ก็ต้องเกรงกลัว อำนาจท่านแล้วก็ต้องระวังไม่ให้ท่านพิโรธเอาออกเอาใจอยากได้อะไรก็ไปขอไปอ้อนวอนจะเห็นว่าเรื่องของเทวดาก็มากับเรื่องฤทธิ์ปาฏิหารชูไหมอำนาจนั่นเองแหละความยิ่งใหญ่ที่จะบรรดาลสิ่งที่ต้องการและให้พ้นจากภัยวิบัตินี่แหละคือฤทธิ์เพราะฉะนั้นเรื่องเทวดาก็มากับรืฤทธิ์ปาฏิหารเพราะนศาสนาเก่าๆพวกนี้ที่มีเทวดาก็มีรื่องฤทธิ์ปาฏิหารเป็นใหญ่ นั้นพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาก็แน่นอนตั้งเกิดขึ้นมาท่ามกลางให้ความเชื่อลรื่องริดปาฏิหารพอพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเขาก็เชื่ออย่างนี้ตอนนั้นพวกฝ่ายพรามณ์ที่เป็นพวกที่เป็นปัญญาชนนักวิชาการเนะี่ยใหญ่ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเป็นพวกกํากับเรื่องสังคมแต่ถึงอย่างนั้นก็นับถือริดอีกแหละเทวดาที่แม้จะอยู่ฝ่ายสงบไม่ใช่ออกรบก็ต้องมีริดใหญ่ถึงกับว่าพวกฤษีซึ่งเป็นต้นกําเนิดของพวกพรามณเนี่ยแหละ พวกฤาษีเนี่ยเป็นต้นทางของพวกพรามพรามณ์จะอ้างอิงพระฤาษีมากันเป็นแถวเลยแล้วพระฤาษีเหล่านั้นก็จะบําเพ็ญตะบะแข่งกับพวกเทวดาที่บอกว่าตอนยุคนี้กลายเป็นว่ามนุษย์ที่เป็นพวกฤาษีเนี่ยบาเพ็ญตะบะจนกระทั่งมีอํานาจเก่งกว่าเทวดาทราบเทวดาได้อะไรเงี้ยนะก็คือพวกปัญญาชนพวกที่มาเป็นพราหมเนี่ยก็ยังแข่งกันได้ฤทธิ์จนกระทั่งว่าใครจะเป็นพระอรหันต์ก็คือต้องมีฤทธิ์อย่างที่พระพุทธเจ้า เริ่มต้นจะมาแผ่พระศาสนาเนี่เจอกับอุรุเวและกัสปะเป็นต้นฉดินสาพี่น้องเนี่ยพวกนั้นก็นับถือว่าต้องมีฤทธิ์ถ้าไม่มีฤทธิ์ก็เป็นพระหลานไม่ได้จึงต้องไปปราบฤทธิ์ก่อนเขาปราบฤทธิ์แล้วก็เลิกบอกว่าไม่จําเป็นต้องมีฤทธิ์การเป็นพระหลานไม่ขึ้นตัวฤทธิ์เพราะฉะนั้นพุทธเจา้านี่โหยากมากเกิดขึ้นในท่ามกลางความเชื่อเหล่านี้นะเขาเอารีทเป็นตัวตัดสินเอาละทีนี้ไปอ่านว่าเทวดาก็ต้องมีฤทธิ์ ยิ่งใหญ่จากพระอินทร์ก็มีฤทธิ์แล้วพรหมก็มีฤทธิ์ยิ่งใหญ่แล้วพวกศาสนาพราหมณ์เป็นฮินดูจนทังที่บอกว่ายุคฮินดูคลาสสิกแล้วหลังพุทธกาลตั้งนานเนี่ยแกก็ยังเอาฤทธิ์เป็นใหญ่อยู่นั่นแหละใช่ไหมศาสนานี้เขาก็ฤทธิ์เรื่อยมาของเขาพุทธศาสนาทาั้งทังที่สอนอยังไงคนก็ยังไปทางเชื่อพวกแบบศาสนาแบบเทพเนี่ยมากพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาก็แปลว่ามา สู้กับพวกเนี้ยพุทธศาสนาก็ให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเทวดาหเหล่านี้ใหม่เลยพระอินของเขาก็แปลว่าทําวิธีบูชายานอาโูเมตร้อยครั้งได้เป็นพระอินทั่นเลยของเราท่านเคยฟังไหมว่าพระอินได้เป็นพระอินทได้ยังไงอ่าพระอินเนี้ยเดิมชื่อมคมานกอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ก่อนนี่เป็นมนุษย์นี่แหละแล้วก็มีความคิดว่าหมู่บ้านของเราเนี่ย มันมีถนนหนทางก็ไม่ค่อยเรียบร้อยคนเดินทางก็ไม่สะดวกบริเวณที่ทํางานทําการกันนี่ก็ยังครุกคลาทางานกันในที่กลางแจ้งไม่ค่อยสะดวกพื้นที่ไม่ราบเรียบไปที่ที่มีน้ํามีคลองก็เดินทางข้ามยากไม่มีสะพานมคคามนพนี่ก็เป็นต้นคิดตอนแรกที่ทํางานก่อนบริเวณที่ทํางานก็ทําที่ที่ตัวทํางานให้เรียบร้อย ไอ้ที่ที่มันครุข่าเป็นต้นเน่ยก็แก้ไขปรับที่ให้มันดีก็ปรับที่แล้วตัวเองก็มีที่ที่ทํางานดีคนอื่นเขาเห็นที่มรคมานพทาไว้ดีแล้วเขาก็เลยมาอาศัยบ้างตัวก็มีใจดีว่าเออให้เขาเลยแล้วก็ตัวเองก็ไปทําที่ใหม่ปรับที่อย่างนี้ไปคนก็มาอาศัยแกแกก็ทําไปแกก็ไม่ถือไม่หวงความเพนประโยชน์อย่างเงี้ยคนอื่นก็เลยชอบแก่และทีนี้ต่อมาแกก็ ชวนคนอื่นเนี่ยพวกหนุ่มๆว่าเออเรามาบาเพ็ญประโยชน์กันเถอะหมู่บ้านเราเนี่ยถนนท า, ทางก็ไม่เรียบร้อยนระั้วสะพานก็ไม่มีเรามาช่วยกันตกลงก็เลยบะเพ็ญประโยชน์กันพอตื่นเช้าก็ถืออุปกรณ์เครื่องมือไปแล้วก็ไปทำงานเหล่านี้บำเพ็ญประโยชน์กันเป็นการใหญ่ต่อมาคนทั้งหมู่บ้านก็มาช่วยกันทำ จกระทั่งพวกผู้หญิงก็มาช่วย ก, กันนะมาทำสถานที่เช่นศาลาที่จะพักผ่อนพักแรมศาลาพักคนเดินทางคนเดินทางมาพักแล้วให้เขาสบายพวกผู้หญิงก็มาปลูกต้นไม้อะไรต่งตางๆทําสวนให้อีกให้นารือนลมโอ้ทากันดีใหญ่เลยพวกนี้ก็บำเพ็ญประโยชน์กลายเป็นหมู่บ้านที่คนใจดีแล้วเวลาแกจะทําอะไรแกก็มาประชุมกันตอนแรกแกก็ไปประชุมในดงไม้ มีการประชุมนะครมีวิธีการประชุมกันว่าจะเราจะทําไงพรุ่งนี้จะวางแผนทําอะไรต่อไปทีนี้พวกหัวหน้าหมู่บ้านก็คงจะเป็นพวกผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันหรือในอำเภอก็แล้วแต่ก็เกิดความไม่พอใจเพราะว่าพวกนี้นะพอทํำมาเป็นประโยชน์ไปแล้วก็ไม่กินเล่าด้วยแล้วก็ชวนคนอื่นไม่กินเล่าด้วยทีนี้พวก ในหมู่บ้านเนี่ยเคยได้รายได้จากการขายสุราเรื่องสมัยก่อนมันแทบเหมือนสมัยนี้นะท่าเราคิดดูให้ดีนะเลยท่านกำนันหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือจะเรียกนายเพิกผมก็เทียบไม่ถูกเพราะตำแหน่งคนละยุคสมัยท่านนี้ก็โกรธก็เลยหาเรื่องว่าจะต้องตั้งข้อหาว่าไอ้พงษนี้ซ่องสมุนกำลังจะก่อการร้ายวางนั้นนะก็เลยเอาเรื่อง ยกเรื่องไปถึงผู้ปกครองไปลําดับชั้นขึ้นไปว่าพวกในมคคะเนี่ยกําลังส่องสูงผู้คนก็เลยจะมาจัดการพวกนี้ก็ถูกจับไปแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวกับพระเจ้าแผ่นดินพอไปพิสูจน์ตัวแล้วพระเจ้าแผ่นดินกลับเลื่อมใสโอ้นี่พวกที่มันมาเพื่ประโยชน์นี่ไม่ใช่ทําอะไรก่อการร้ายเพราะฉะนั้นจะต้องสนับสนุนก็เลยยิ่งสนับสนุนใหญ่เลย มาคมานพเนี่ยก็เลยกลายเป็นผู้นําที่ได้ช่วยบําเพ็ญประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งหมู่บ้านถิ่นของตัวเองและยังไปช่วยในถิ่นอื่นๆต่อไปอีกและท่านผู้นี้แหละมีด้วยกันเป็นหมู่ทั้งชุดเนี่ยสาสบสามคนพอตายแล้วก็เลยไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาชั้นดาวดึงดึดาวดึงเนี่ยก็มาจากคาว่าสาสามนี่แหละเทวดาสาสามเตติงสะ ไตรตรึงเขาเรียกไตรตรึงเทวดาชั้นไตรตรึงก็มาจากเนี่ยตัวเลขสาบสนี่คือตำนานฝ่ายพุทธศาสนาก็กลายเป็นว่าจากการที่ปรนเป็นประโยชน์เป็นคนดีทำการช่วยเหลือต่อการทำดีต่อสังคมก็ทําให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพระอินทย mm hmm. ่ไหมต่างกันลิบลับเลยเนี่ยของพุทธก็เปลี่ยนคติใหม่ ของพราหมณ์นี่เขาต้องไปอ้อนวอนใช่ไหมต้องกลัวพระองค์พิโรธถ้าโกรธขึ้นมายุ่งเลยนะแล้วก็ต้องคอยเอาใจว่าจะทำไงให้พระองค์โปรดนี่ของพุทธก็กลายไปว่าทุกคนนี่แม้จะเทวดาก็ต้องปฏิบัติตามธรรมผู้มีธรรมก็คือผู้ที่รู้อะไรควรไม่ควรโดยเหตุผลเมื่อใครประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็ต้องไปช่วยเหลือเขาถ้าเขาเดือดร้อนไม่ใช่รอใครมาอ้อนวอน แล้วก็มาเส้นสวงแล้วก็ไปช่วยไ อ, อย่างงี้มันก็เป็นทางของการคอรัปชันสิใช่ไหมถูกไหมทีนี้ของพทุทธเนี่ยมาอย่างนั้นของพทุทธก็หมายความว่าเทวดาก็ใครเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องคอยมองดูเองถ้าหากว่าเห็นคนไหนมีธรรมอย่างในหมู่มนุษย์เนี่ยคนไหนเป็นคนดีเขาประพฤติธรรมแล้วเขาเดือดร้อนเนี่ยตัวเองต้องไปช่วยเขาเลยไม่ต้องให้เขามาอ้อนวอนอย่างนี้นะเอ้าละ่ะ อพราะนั้นพระอินทร์ก็มีธรรมสภาแล้วก็จะประชุมเทวดาถึงวันที่ประชุมกันเนเป็นวันเพ็ญ เ, เนี่ยก็จะมาตรวจสอบไถ่ถามกันว่าสภาพของสวรรค์ตอนนี้เป็นยังไงมีคนมาเกิดมากขึ้นหรือลดน้อยลงที่เกิดมากขึ้นก็คือมีคนที่มาจากมนุษย์เป็นต้นที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาถ้าว่ามีผู้มาเกิดมากขึ้นแสดงว่ามีคนที่ทาดีมากก็ยินดีชอบใจ แล้วก็ทางพระอินทร์เนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะตั้งเทวดามาตรวจสอบดูผู้คนในสังคมมนุษย์เนี่ยว่าใครประพฤติดีประพฤติชอบบ้างแล้วก็มีเทวดาที่มีหน้าที่ต่างๆเช่นคอยดูแลมนุษย์เช่นอย่างที่มหาสมุทรก็มีเทพธิดาชื่อมะนีเมขลาเคยได้ยินไฮะเทพธิดาที่รักษาท้องมหาสมุทรเนี่ย ถ้าใครเดือดร้อนและจะได้มาช่วยดูสิเรื่องมหาชนกอะ่ะอ่านี้ผมจะเล่าเรื่องมหาชนกนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องมหาชนกก็จะให้เห็นคติพุทธเลยว่าไม่เหมือนกับคติของพราหมณ์มหาชนกเนี่ยก็ไปเรือสำเพาเรือทะเลออกทะเลเรือก็เกิดอับปางขึ้นมาตอนที่เรือจะอับปางนั้นมนุษย์ก็มีอาการกิริยาต่างๆ บ้างก็คําครวญสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้เทพเจ้าที่ตัวเชื่อถือเคารพนับถือนั้นมาช่วยบ้างก็ร้องให้ฟูมไฟไม่มีสติมีอาการเป็นไปนต่างๆส่วนมหาชนกเนี่ยไม่เสียเวลาไปกับการที่จะมัวฟูมไฟร้องให้หรือว่าจะไปอ้อนวอนอะไรต่างๆท่าทนั้นก็คิดเลยว่าอย่างน้อยเราจะต้อง ให้อยู่ได้นานที่สุดในน้ําถ้าหากจะตายเนี่ยแต่อาจจะรอดได้เราควรจะไปอยู่ตรงจุดไหนของเรือในเวลาที่เรือล่มจะปลอดภัยที่สุดแล้วเราจะเตรียมอุปกรณ์อะไรไบ้างเพื่อจะให้อยู่ได้ได้อาศัยมันแล้วท่านก็ใช้เวลาที่มีอยู่นะ่ยในขณะที่เรือจมปางเนี่ยเตรียมตัวไปอยู่ที่จุดที่นึกว่าดีที่สุดแล้วก็หาพวกอุปกรณ์เช่นไม้อะไรแต่ไรเนี่ยในเรือที่หาได้ แล้วพอเรืออับปางท่านก็อยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีถึงอย่างนั้นมันมองไม่เห็นฝั่งเลยท่านก็ไม่ยอมหยุดก็ว่ายน้าไปเท่าที่มองเห็นว่าทางไหนน่าจะถูกที่สุดก็ว่ายน้าไม่หยุดและนางมณีเมขลาเนี่ยซึ่งมีหน้าที่ที่จะดูตรวจตรามหาสมุทรเนี่ยก็มาเห็นท่านมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยในท้องทะเล ท่านก็เห็นมหาชนกเนี่ยมีความเพียรว่ายน้ำไม่หยุดเลยตอนแรกก็แกล้งมันหลงใจนะ่ะแกล้งเยาะเย้ยนะก็เยอ ะ, นะ เ, อะเย้ยบอกโอ้หนี่มองก็ไม่เห็นฟังจะว่ายน้ําไปทําไมตายเปล่าอะไรทํานองนี้นีก็พูดแกล้งเย้าอันนั้ไปอ่านเอาเองท่านจะเย้าว่าไงบ้างแล้วก็เลยเป็นคําโต้อตอบกันระหว่างมหาชนกกับ น, นางมณีเมขลา มาจาเถรนก็จะพูดถึงการที่มนุษย์จะต้องมีความเพียรพยายามใช้หัวคิดแล้วก็พยพยายามไปอาจจะยังมีความหวังถึงแม้เพียรพยายามไปมันตายก็ไม่ได้เป็นหนี้ใครว่าอะไรทำนองนี้นะท่านก็พูดไปจนกระทั่งว่าในที่สุดนางมณีเมขลาก็พอใจแล้วตัวเองก็มีหน้าที่อยู่แล้วก็เลยช่วยพาเข้าฟังเรื่องก็เป็นอย่างนั้นก็หมายความว่า มนุษย์ก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปได้วยความเพียรพยายามและความดีก็คือประพฤติธรรมส่วนเทวดาที่เป็นผู้จะช่วยเหลือก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปในการช่วยเหลือคนที่มีกำลังน้อยกว่าตัวอันนี้ก็คือคติที่จะให้ดำรงสังคมมนุษย์ด้วยคติพุทธศาสนาเนี่ยไม่เคยศึกษากันเลยมีอยู่ในแทบทุกเรื่องเพราะฉะนั้นพระพรของพุทธศาสนาก็กลายไปว่า มีพรหมวิหารสี่มีเมตตากรุณามู้ติตาเบกขาแล้วท่านก็บอกไม่ให้มนุษย์รอพระพรหมมนุษย์ทุกคนจะต้องประพฤติพรหมวิหารในตนเองก็คือมีธรรมะสี่ประการประจําใจและมนุษย์นี่แหละก็จะเป็นผู้สร้างสรรคร์บันดาลโลกจะเรียกว่าสร้างสร ร, รบันดาลโลกก็ไม่ถูกต้เรียกว่าสร้างสรรคอภิบาลโลกสร้างสรรอภิบาลโลกก็คือว่าทําให้โลกนี้จเจริญงอกงามแล้วก็รักษาไว้ให้อยู่ดีก็เมื่อมนุษย์เราเนี่ย อยู่ในเมตตากรุณามุทิตาเบกขายเราเราก็อยู่กันดีสังคมมนุษย์มันก็เรียบร้อยไม่ใช่ว่าตัวเองไม่คํานึงถึงอะไรเอาแต่จะรอเทวดาตัวเองก็อยู่ในความประมาทเบียดเบียนกันบ้างปล่อยเรื่อยป่วยไปบ้างสังคมก็เสื่อมไปถั่รอให้โลกสังคมมันเสื่อมสลายและเทวดามาสร้างใหม่อันนั้นไม่ได้เรื่องนี่มนุษย์เราเองนี่แหละเป็นพรหมเองเลยท่านก็บอกให้มนุษย์นี่แหละเป็นพรหมเอง เนี่ยเราก็เป็นผู้สร้างสรรบรรดาลโลกเองด้การประพฤติ ธ, ธ ร, รสี4ประการนี้เนี่ยก็ทั้งให้เทวดาก็ต้องเปลี่ยนแนวใหม่แนวความคิดแนวการปฏิบัติใหม่ทั้งมนุษย์เองก็ปฏิบัติตัวเป็นเทวดาได้ด้วยพอลราลึกถึงเทวดาในธรรมะมีอยู่หมวดหนึ่งเขาเรียกว่าอนุสติ10มเทวดานุสติด้วย เทวานุสติก็คือระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาไม่ใช่เป็นระลึกถึง่เทวดาองค์นั้นท่านเก่งอย่างนั้นเทวดาองค์นี้เก่งอย่างนี้ถ้าจะบันดาลอะไรให้เราพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรไปเส้นไหวท่านดีใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเทวตานุสติของเรานี้คือระลึกถึงว่าเทวดาองค์นี้เออท่านมีคุณความดีอะไรท่านมาเกิดได้โดยอาศัยคุณธรรมอะไรอย่างเป็นพระอินทร์นี่ก็เป็นมคมานพ ควเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอะไรตลไรเราจะเป็นเทวดาเราก็ต้องประพฤตินรมอย่างนั้นอย่างน้อยก็มีฮิริโอตตปะเรียกว่าฮิริโอตาปสัมปันนาสุขธรรมะสมาหิตาสันโตสปุริสาโลเกเทวธรรมาติวัจเ ร, รียงสวดหรือปเปล่าอ้าวนี่แหละบอกว่าธรรมะฮิริโอตาปสัมปันนามนุษย์ถึงพร้อมด้วยฮิริและโอตตปะแล้ ว, ลวเรียกว่าถึงพร้อมได้เทวธรรมเนี่ยธรรมะนี่ทําให้เป็นเทวดาก็อยู่ด้วยฮิริโอตาปะ สังคมมนุษย์ก็จะเป็นสังคมเทวดาได้คติพุทธนี่มากมายเลยอยู่ในเรื่องเนี้แม้แต่เราจะนับถือเทวดาอยู่นี่มันก็เปลี่ยนหมดเลยทุกอย่างเปลี่ยนหมดแต่เราไม่เคยมาใช้อ้อนวอนมันยังไงก็อ้อนวอนต่อไปจงกระทั่งว่าชาวพุทธจะเป็นชาวอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ามีลาเกิดเรื่องอะไรนี่มันน่าจะเอาความรู้มาเผยแพร่ขยายแก่ประชาชน เรื่องนี้ยังมีแง่มุมที่ต้องพูดอีกเยอะเลยนะโอ้โหนี่เวลามันจะไม่พอแต่ว่าขอแทรกนิดหนึ่งเรื่องอัศวเมษเรื่องบูชาหยันเนี่ยเพราะเป็นเรื่องพิธีใหญ่ของศาสนาพราหมณ์อัศวเมษแปลว่าฆ่ามาบูชาหยันอัศวคืออัศอัศวแปลว่าเมทะเมษ เ, เนี่ยความหมายหนึ่งแปลว่าฆ่าอัศเมษก็แปลว่าการฆ่ามาบูชายัน เป็นการบูชายันอย่างใหญ่ของพวกมหากษสัตว์ซึ่งผมจะเล่าการทำให้โดยย่อท่านจะได้พอเห็นแนวทางว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็คือว่ากษัตริย์ที่เห็นว่าตัวเองนี้ยิ่งใหญ่พอแล้วแล้วจะประกาศศักดาว่างันเนอะก็จะประกอบพิธีอโโเมตเริ่มต้นก็คือคัดเลือกม้าที่มีคุณสมบัติดีตามตำราโดยมากจะเป็นม้าสีขาว พอได้แล้วก็จะคัดเลือกพวกเจ้าชายและทหารที่มีฝีมือตัวนำร้อยคนก็ให้ติดตามมานี่ไปให้ม้าเนี่ยไปตามชอบใจเป็นเวลาหนึ่งปีทีนี้ม้าตัวเนี้ยเมื่อมันวิ่งไปมันก็ต้องผ่านแดนโนนแดนนี้ผ่านแดนไหนแดนนั้นถ้าไม่ยอมให้ผ่านก็ถือว่าต้องรบกัน ก็นี่ก็เป็นวิธีประกาศสักดาเด็ถ้าใครไม่กล้าก็ต้องเปิดให้ผ่านเปิดให้ผ่านก็คือยอมรับอำนาจทีนี้ถ้าไม่รับก็ลบกั น, นตัวเองจะทำอาโซเมก็ต้องแน่ใจแล้วฉันต้องเก่งใช่ไก็ทำอย่างนี้หนึ่งปีแล้วก็มานั้นพร้อมทั้งพกเจ้าชายในทัพก็กลับมาที่บ้านเมืองก็ตัวเอง ระหว่างเวลาหนึ่งปีนั้นที่บ้านเมืองเขาตัวเองโดยเฉพาะเมืองหลวงก็จะมีการหมอลศพการฉลองเป็นการใหญ่ตลอดปีเนี่ยสนุกสนานการใหญ่เลยตลอดปีพอมาถึงแล้วก็ทำพิธีใหญ่ยิ่งขึ้นม้าตัวนั้นจะต้องถูกฆ่าบูชายันแต่ก่อนจะฆ่าบูชายันก็จะมีพิธีมากมายในพิธีเหล่านี้ก็จะมีการฆ่าสัตว์อื่นบูชายันอีกในละหร้อยเก้าตัว อาจจะมีตั้งแต่เป็ดไก่แพะแกะวัวจนกระทั่งอูดแล้วก็ช้างและบางทีก็อาจจะฆ่าคนบูชายันด้วยม้าเองก็อาจจะหาอีกบางกษัตริย์ก็เอาสิบตัวบางกษัตริย์เอาถึงร้อยตัวนะเอาม้าเฉพาะม้าอย่างเดียวในระ้อยตัวมาฆ่าบูชายันแล้วกษัตริย์มเหสีต้องเข้าสู่พิธีมีอะไรแต่ละเยอะแยะแล้วมีเรื่องหยาบโลนทางเพศ นะผมให้เล่าอ่นะทางทางวาจาทางกิริยามีเรื่องทางเพศทางอะไรแต่ลข้ามาด้วยนี่แหละทำเสร็จก็แปลว่าจบต้องนึกดูสิเป็นพิธีต้องปีหนึ่งนะสนุกสนานกันใหญ่เนี่ยแล้วลงทุนเลยอะไรมหาศาลในสัะกาศออำนาจอันนี้ศาสนาพราหมณ์เขาก็เชื่อเป็นคติกันมาว่าถ้ากษัตริย์องค์ใดได้ประกอบพิธีอัโวเมตถึงร้อยครั้ง จะเป็นใหญ่ยิ่งกว่าพระอินทร์ในสวงสวรรค์ว่<ม>นงั้นนะเป็นเจ้าจาั ก, กรวาลเลยว่างั้นเถอะแต่ใครจะไปทําได้ล่ะครับเพราะว่าพิธีปีหนึ่งฮนะร้อยครั้งก็ร้อยปีแล้วกษัตริย์องค์ไหนยอยู่ลนะ่ะกว่าจะได้เป็นกษัตริย์ก็อายุเท่าไหร่แล้วเอาให้เป็นอย่างหนุ่มสักสิบเก้าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาเอาให้ยี่สิบตัวเลขทวนแล้วก็ทําพิธีอธวโมห์ร้อยครั้งทําทุกปีก็อายุร้อยี่สิบแล้ว แล้วอายุ120เป็นเจ้าจักรวาลเป็นไงครับไหวไหมนี่แหละครับเนี่ยความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ให้ท่านเห็นตัวอย่างเนี่ยเขาก็เชื่อกันมาอย่างเนี้ยอาสวเมศนี่ก็เป็นพิธียิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นกษัตริย์อย่างที่ผมเล่าแล้วไงฮะที่ว่าพวกพราหมณ์เมื่อแค้นพระเจ้ า, าโศกปุตเซลมิตรนี่เป็นพราหมณ์ใหญ่ที่รับราชการกับวงกษัตริย์พระเจ้ า, าโศกเนี่ย ก็เลยสังหารพระเจ้าแผ่นดิน mm. หลานเหลนพระเจ้าโศกแล้วก็ตั้งวงกษัตริย์ราชวงศ์สุนงค ข, ขึ้นมาตัวเองก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นวรนนพราหมณ์แล้วก็ทําพิธีอสโเมีดฟื้นมาเป็นครั้งแรกกษัตริย์ในยุคต่อๆมาก็ประกาศความยิ่งใหญ่ก็จัดประกอบพิธีอสโเมีดเนี่ยนี่เราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎกเองเนี่ยได้เปลี่ยนคติเหล่าเนี้ยหมดผมจะเล่าให้ฟังตัวอย่าง คือพราหมณ์เนี่ยเขามีพิธีบูชายัญเนี่ยมันมีตั้งแต่พิธีในบ้านประจําวันเลยนะเขาต้องรักษาไฟไม่ให้ดับในเรือนของตัวเองแต่ละคนเนี่ยไฟเนี่ยจะไม่ให้ดับเลยเพราะมันมีพิธีบูชายันตั้งแต่ในครอบครัวในครัวเรือนเนี่ยไปจนกระทั่งพิธีใหญ่ระดับชาตินั้พิธีใหญ่ใหญ่เนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็มาตรัสคําสอนให้เป็นหลักการอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าราชสังฆ ว, วัตถุสี่ประการเนี่ยของพราหมณ์เป็นพิธีบูชายันหนึ่งอัศวเมธภาษาบาลีก็เป็นอัศเมธะคําว่าเมธาเนี่ยนะมันเล่นศัพท์ได้เมธะนี่แปลว่าเมธาแปลว่าปัญญาก็ได้เช่นเมธีเคยได้ยินไหมนะเมธาเมธีเมธีก็เป็นผู้มีปัญญาดังนั้นเมธะแปลว่าค่าก็ได้แปลว่าปัญญาก็ได้ พุทธศาสนาก็เปลี่ยนอัศเมธะเป็นสัตสมีธาสัตสมีธาสัตสระแปลว่าเข้ากล้าเมธะแปลว่าปรีชาฉลาดแปลเอาความสัตสมีธะก็แปลปรีชาสามารถในการบำรุงพืชพันธัญญาหารนี่เปลี่ยนแล้วนะข้าสัตรูบูชายญข้าม้ามาเป็นปรีชาสามารถในการบำรุงพืชพันธธัญญาหารนี่เรื่องของกษัตริย์นะนี่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของกษัตริย์ พระเจ้ากำลังกำหนดหน้าที่ให้ใหม่กับกษัตริย์คุณไม่ต้องไปทำวิธีฆ่าม้าบูชายันนะคุณทำสัตวเสเมทะหนึ่งอัศเมทะอัสวเมตก็มาเป็นสัจเสเมทะแปลว่าปีชาสามารถในการบำรุงพืชพันธุยาหารของพรามสองปุริสเสมทะฆ่าคนบูชายันฆ่าคนบูชายันเขามีด้วยนะโอ้มีเรื่องใหญ่ในชาดกยังเล่าไว้แล้วนะ แล้วก็ในเรื่องเขาพราหมณ์เองก็มีเล่าบางคนถึงก็ฆ่าลูกบูชายันเพราะความเชื่อเหล่าเนี้ยกษัตริย์ด้วยนะฆ่าลูกบูชายันอนอ้าวนี้พุทธศาสนาก็เปลี่ยนเป็นปุริสเมธัง<ม>แปลว่าปริชาฉลาดในการบำรุงข้าราชการอันนั้นฆ่าคนบูชายันอันนี้ฉลาดในการบำรุงข้าราชการนี่ก็กษัตริย์นะคนละอย่างเลยเอา้าวสามของ พราหมณ์เขาบอกว่าสัมมาปาสังสัมมาปาสังก็เป็นชื่อยันชนิดหนึ่งมีวิธีที่ท่านพนานาไว้ผมไม่อยากพูดเพราะเอาพอรู้ว่าเป็นวิธีบูชายันอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็จะโยนบ่วงไปรดนบ่วงเนี่ยไปตกที่ไหนก็จะตั้งลงประกอบวิธีที่นั่นเป็นจุดจุดจุดจุดแล้วก็โยนต่อไปโอ้เรื่องของพราหมณ์้พิธีบูชายันมันนักหนาเลยทีนี้ไอ้คาว่าบ่วงเนี่ยสัมมาแปลว่าโดยชอบ บ่วงที่จัดการโดยชอบบ่วงอันนี้พุทธศาสนาก็มาเปลี่ยนความหมายไปว่าบ่วงคล้องใจคนบ่วงคล้องใจคนก็หมายความให้พระราชาเนี่ยผูกใจประชาชนด้วยการบำรุงด้านเศรษฐกิจการค้าการพาณิชย์เช่นตั้งกองทุนให้พวกคนที่เขาตั้งตัวเนี่ยกู้ยืมไปประกอบการค้าขายนี้ท่านบอกอธิบายไปเลย ตั้งทุนไว้ให้เขากู้ยืมไปประกอบการค้าขายเพื่การผานิษย์นี้ผู้ค้าขายพวกที่หนึ่งเรื่องพืชพรรณติยาอาหารการเกษตรพวกเกษตรกสิก ร, ก, รก่อนอันที่สองก็มาพวกข้าราชการอันที่สามก็พวกพ่อค้าวานิชแล้วก็สี่วาชป่งไวยะเป็นวิธีดื่มน้ํคล้ายคล้ายๆดื่มน้ําชายบาศฉลองชัยชนะอะไรพวกเนี้ยก็เป็นพิธีบูชาญาณอีกแบบหนึ่งของพราหมณ์พอพุทธศาสนาก็มา ใช้เป็นว่าวาชปะยะปะยะเนี่ยมาจากคาว่าปิยะปิยะก็แปลเป็นที่รักวาชะก็แปลว่าวาจาก็วาจาเป็นที่รักดูดดื่มน้ําใจแทนที่จะไปดื่มน้ําชายบาลก็แปลว่าพูดจาดีพระราชาหรือผู้ปกครองประเทศเนี่ยรู้จักสื่อสารกับประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจต่อกัน ให้ประชาชนเนี่ยรู้เข้าใจความเป็นมาเป็นไปพูดกันแล้วให้เขามีความนับถือมีความเชื่อถือมีวาจาสื่อสารที่ดีที่ผูกพันน้ําใจคนอ้าวสี่ว่าไงของพรามณ์เขาอีกข้อหนึ่งนิรักขลังนิรักขลังนี่รู้จะมีเทียบว่าเท่ากับศัพท์พระเมตะเป็นยันที่ใหญ่ที่สุดของพราหมณ์ทุกอย่าง เป็นยันที่พร้อมบริบูรณ์ตั้งแต่ข่าคนาค่าเครื่องะพร้อมหมดบริบูรณ์นะฮบูชายันตัวศัพท์นิรักพลังแปลว่าไม่มีริ่มกร่อนคือไม่มีอะไรติดขัดเลยนี่พระพุทธเจ้าเอามาเป็นข้ออนิสงส์อันนี้เป็นข้ออนิสงส์บอกว่ า, วาเมื่อพระราชาได้ประพฤติปฏิบัติอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยประชาชนก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจนกระทั่งว่า บ้านเรือนไม่ต้องลงกรอนเอาบุตรขึ้นมาฟ้อนบนอกวงงางเงินในสมนุนพระจนวางเงานินหมายความว่าอยู่ก็สุขสบายดีเศรษฐกิจอะไรก็ดีโจงขโมยก็ไม่มีปล้นบ้านรือนก็ไม่ต้องติด ก, กุญแจไม่ต้องลงกรอนในครอบครัวก็มีความสุขสมนวนเขาเรียกว่าเอาบุตรขึ้นมาฟ้อนบนอกสมนวนพระว่งงางเงินนี่ก็คือตัวอย่างหลักการพุทธศาสนาที่มาเปลี่ยนแปลง นี่ก็คือเรื่องธรรมะเมื่อการเปลี่ยนจากเทพมาสู่ธรรมแม้แต่เทพเองในเรื่องวิถีชีวิตของเทพวิธีปฏิบัติของเทพก็ให้เปลี่ยนมองไปธรรมหมดให้ธรรมะเป็นใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดกรณีขัดแย้งกันระหว่างเทพกับมนุษย์ก็ให้ถือธรรมเป็นหลักถ้าหากว่ามนุษย์ปฏิบัติถูกธรรมะแล้วย่ายอมกับเทพก็จะมีเรื่องที่มีในคติพุทธศาสนาเนี่ยรู้จักคนจะมีในพวก ชาดกในพวกคำพีทาอัตกรถาธรรมบทท่านจะเล่าไว้คือเทวดายังมีกิเลสอย่างที่เห็นอยู่แล้วเนี่ยเขาจะอยู่ก็ได้ฤทธิ์ลองดูรูปปั้นเทวดาของพามสิมีสี่กรยี่สิบกรอนแล้วก็ถืออาวุธต่างๆใช่ไหมสแสดงท่าทางองค์อาจทำศัตรูให้ขยาบหวาดเกรงเลยต้องสแสดงท่าทางยิ่งใหญ่เหยียบหนะ้าอกให้พวกศัตรูเลยอะไรอย่างงี้ นี่รูปปั้นของเทวดาก็ต้องมีฤทธิ์อย่างเงี้ยแต่ว่าพุทธศาสนาเปลี่ยนมาความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาดูที่พระพุทธรูปนั่งสงบยิ้มเลยท่านดูสิรูปปั้นของศาสนาพราหมณ์กับพุทธเนี่ยบอกคติอยู่ในตัวแต่เราไม่ได้สังเกตใช่ไหมศาสนาพราหมณ์มีแต่เทวดาที่ต้องแสดงว่ายิ่งใหญ่จริงๆต้องมีฤทธิต์ต้องพิฆาตศัตรูได้มากที่สุด ของพุทธศาสนาไม่ทํอะไรใครเลยนั่งสงบมีความบริสุทธิ์มีเมตตาความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ปัญญาปัญญาและความบริสุทธิ์แล้วก็เมตตากรุณานี่แหละความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงอ่นเนี่ยคติของพุทธของพร์ก็มาต่างกันก็ใช้หลักการเนียมาตลอดทีนี้ ถ้ามนุษย์เทวดาเกิดมีเรื่องกันขึ้นในคติพุทธเราก็มีเรื่องนี้เล่าไว้ให้เพื่อให้ชาวพุทธนี้ได้หลับว่าบางทีเทวดาก็ท่านมีกิเลสเนี่ยท่านก็จะแกลง่งบางทีเทวดาเห็นพระมาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองจะอยู่ไม่เป็นสุขละเพราะตัวเองเคยอยู่สบายมีอำนาจทำตามชอบใจทีนี้พระมาต้องเกรงใจเพราะพระมีธรรมะก็จะหาทางแกลง และท่านก็จะบอกให้ตัดสินกันได้ธรรมะถ้ามนุษย์อยู่ในธรรมะแล้วไม่ต้องกลัวในที่สุดเทวดาจะต้องยอมท่านก็เล่าเรื่องเป็นตัวอย่างเไว้ก็เรื่องเล่าไปแล้วอย่างสาวกท่านสําคัญที่เป็นกระหัตอนาถบินดีเกษตรถีอนาถบินดีเกษตรถีเนี่ยท่านมานับถือพุทธสัจสนาท่านได้เป็นพระโสดาบัน ทานก็บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมก็บำรุงพระสงฆ์แล้วก็ช่วยสงเคราะห์สังคมตั้งโรงทานเอาทรัพย์เนี่มาช่วยเหลือสังคมมาอุปถัมภ์พระสงฆ์ด้วยแล้วก็มาอุปถัมภ์คนยากคน จ, จนจนกระทั้งตัวเองที่ชกจะแย่ทีนี้เรื่องมาไปถึงเทวดาตรงนี้ตรงที่ว่าอย่างที่เคยเล่าเทวดาในชมพูทวีปคติเดิมเนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยนะเวลามนุษย์สร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ย เทวดาก็จะมาหาที่อยู่เองไม่มีคติเรื่องการที่จะต้องให้มนุษย์เนี่ยไปสร้างสารวระภูมิให้อยู่สร้างบ้านแล้วที่ไหนมาดีที่สุดเทวดาท่านจะเลือกเองอ น, นี้นานาธรรมิดีกเกษตรถีพอท่านสร้างบ้านเทวดาก็มาอยู่อยู่ไหนได้มากเทวดาจะชอบซุ้มประตูเทวดานี่ท่านก็ขึ้นไปอยู่ที่ซุ้มประตูเรื อ, อนของนาธรรมิดีกเกษตรธธี ทีนี้ภาวนาถ้วดีิจเกษตีนับถือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาบ้างพระพุทธเจ้าไม่มาพระสงฆ์ก็มามาบินาบาตบ้างอะไรบ้างนี้เทวดาก็เมื่อผู้มีศีลมาก็ลำบากใจคือเทวดานี้ต้องนับถือพระเหมือนกันเมื่อพระสงฆ์มาจะผ่านประตูนี่เทวดาอยู่ไม่ได้และอยู่ข้างบนสูงกว่าก็เทวดาก็ต้องลงมาข้างล่างเทวดาชักโกรธบอกว่าเอ๊ พระมาพระพุทธเจ้ามาเราลำบากทุกทีจะต้องหาทางให้เศรษฐีนี่เลิกคบกับพระพุทธเจ้านะเลิกนับถือแตกกันสักทีนี่ก็รอโอกาสมาตอนที่เศรษฐีชักทรย์ร่อยหรอลงไปเงินชักขาดแคลนเอเทวดา น, นึกว่าได้โอกาสแหละวันหนึ่งก็มาปรากฏตัวกับท่านอนาถบินิเกเศรษฐีแล้วก็ มาพูดให้ฟังบอกเนี่ยท่านเศรษฐีเนี่ยนะท่านเคยมีทรัพย์มากมายโอ้เหลือล้นจนกระทั่งอย่างที่ว่าสร้างพระเจดวันนี่ก็เอาเกวียนบรรทุกเหรียญทองเนี่ยมาปูพื้นอย่างเต็มเนียซื้อกันได้อย่างนี้เลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้ท่านจะจนลงเนี่ยท่านเพราะอะไรท่านก็ทราบอยู่แล้วออท่านมาอุปถัมภ์บํารุงพระศาสนาพระสงฆ์นี่มากท่านควรจะปฏิบัติตัวใหม่ แต่ว่าถ้าท่านเชื่อข้าพเจ้าจะช่วยท่านได้ข้าพเจ้ารู้แหล่งน่ะมีคุ้มทรัพย์ใหญ่อยู่ข้าพเจ้าจะบอกให้แล้วถ้าไปขุดเอาสบายเลยทีนี้จะรวยมนเดิมหรือรวยกว่าเดิมที่ซ้ําอะไรก็ว่าไปเทวดาก็ชักจูงใจเป็นการใหญ่ท่านเศรษฐีนี่เป็นโสดาบันนี่มีความมั่นในธรรมไม่มีทางที่จะคลอนเคลนครับไม่ยอมเชื่อฟังเทวดา แล้วถือสิทธิ์เจ้าบ้านบอกข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการที่ท่านกล่าวที่ท่านกล่าวเนี่ยไม่ชอบทำเมื่อท่านกล่าวไม่ชอบทำขอโทษเถอะข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ท่านอยู่ที่นี่อา้าวแล้วสิยื่นคาขาดเลยโอ้เทวดาเดือดร้อนแล้วสอ่อเขาเป็นเจ้าบานเขามีสิทธิ์เทวดาเดือดร้อนแล้ ว, อออ ว, ออลวโอ้ทาไงดีล่ะก็เลย หาทางว่าทํำไงตัวเองจะอยู่ได้ตอนนี้กลายเป็นว่าตัวเองแล้วจะต้องหาทางแก้ไขตัวเองก็เลยนึกถึงพระอินทร์ว่าเราท่ายต้องไปขอให้ชุบพระอินทร์ช่วยพูดหน่อยแหละก็ไปขอร้องพระอินทร์ว่าให้ช่วยหน่อยให้ช่วยพูดให้หน่อยพระอินทร์ก็บอกข้าพเจ้าก็ช่วยท่านไปได้หรอกเนี่ยมันอยู่ที่การที่ท่านจะปฏิบัติอย่างไรให้มันถูกต้องเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมะ แล้วดูพระอินทร์จะเสนอแนะให้ทางหนึ่งท่านก็ใช้วิธีนี้สิก็บอกว่าท่านเศรษฐีก็ยากจนลงไปแล้วแต่ท่านก็มีจิตใจศรัทธาอยากจะทำบุญทากุศลต่อไปข้าพเจ้าจะสนับสนุนท่านข้าพเจ้าจะบอกขุมทรั์ให้ท่านจะได้มีรั์มาทาบุญต่อเทวดาต้งใช้วิธีนี้ก็ไปบอกท่านเศรษฐีใหม่เศรษฐีก็เลยให้อยู่ต่ออันนี้เป็นเรื่องตัวอย่าง แล้วก็มีเรื่องอื่นอีกบางทีเทวดามาแกล้งพระพระไปที่ครอบครัวหนึ่งก็รับสืบเรื่องสายอยู่แล้วทีนี้เทวดานั้นท่านเดือดร้อนไม่อยากให้พระอยู่แถวนั้นต้องการให้ไปซะท่านก็หาทางให้พระประพฤติผิดวิ น, นัยด้วยการที่ไปขอให้เจ้าบ้านทายกขออะไรกับพระอย่างหนึ่งที่ถ้าพระทำแล้วเนี่ยจะผิดวิ น, นัย ทีนี้พระท่านก็มั่นในหลักของท่านท่านก็ไม่ทำผิดบินัยในที่สุดก็เลยกลายเป็ว่าพระท่านก็ยื่นคำขาดว่าไม่ใช่อัตมาต้องไปท่านต้องไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือคติพุทธเนี่ยไม่ได้ยอมกับเทวดาแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วให้อยู่ร่วมกันอย่างไม่ตรีมีเมตตาต่อเทวดานะให้เกียรติเพราะว่าโดยปกติแล้ว ผู้จะไปเกิดเป็นเทวดาโดยเฉพาะตามคติพุทธเนี่ยจะต้องประพฤติ ด, ดีทำบุญกุศลอย่างน้อยก็โดยเฉลี่ยแล้วมีคุณธรรมสูงกว่าเพราะนั้นก็ให้มนุษย์โดยโทั่วไปเนี่ยนับถือเทวดาให้เกียรติเทวดาแต่ว่าก็นับถือกันอย่างท่านผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมอย่าไปนับถือแบบอ้อนวอนขอผลดลบรรดานเพราะแต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเองเทวดาท่านก็ยังมีหน้าที่ท่านต้องพัฒนาตัวเองท่านยังต้องประพฤติธรรม อันนั้นมัวจะมายุ่งกันอยู่อ้อนบอนเอาอกเอาใจกันอยู่เทวดาก็มัวจะมาสารวนกับการที่จะมาคอยเอาใจชาวบ้านที่มาอ้อนวอนตัวเองอะไก็เลยไม่ไปอันประพฤติปฏิบัติทําหน้าที่ของตัวเองโดยชอบก็เสียมือสังคมไทยเหราเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ไม่ประพฤติธรมใช่ไหมมัวแต่รอผู้น้อยแล้วประจบประแจงอยู่มันก็แย่อยิง่งมือสังค ม, มก็เสื่อม ผู้น้อยก็ประพฤติตัวให้ดีท่านผู้ใหญ่เราก็เคารพนับถือให้เกียรติท่านแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่ได้ไปประจบประแจงหวังผลอะไรจากท่านเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ต้องรอให้เขามาประจบประแจงตัวเองก็ต้องดูผู้น้อยคนไหนที่เขามีความดีความ อะไรประพฤติปฏิบัติโดยชอบทำประโยชน์ดีอะไรกำลังขยันหมั่นเพียรเป็นต้นเขาต้องสนับสนุนเขาหรือเขาเดือดร้อนขึ้นมาเขาต้องช่วยอะไรนี่เนี่ยคติแบบเดียวกับเทวดาเปียกอาวละก็แปลว่าท่านจับหลักการใหญ่ให้ได้ก่อนที่ว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาก็ดึงออกจากเทพสู่ธรรมเปลี่ยนจากเทพสูงสุดเป็นธรรมสูงสุดจุดยืนเปลี่ยนหลักการใหญ่เปลี่ยนหมดพื้นฐานเปลี่ยน ข้อปฏิบัติอะไรต่อะไรแยกหมดเลยนี่น่นถ้าว่าถึงโดยพื้นฐานแล้วเปลี่ยนหมดเลยแต่พร้อมกันนั้นพระพุทธศาสนานี่ถือหลักตามธรรมดาธรรมชาติปัญญายัดเยียดใส่กันไม่ได้ก็ต้องใช้กรุณาใช้วิธีที่ว่าค่อยๆพูดค่อยกระจายสื่อสารกันไปอะไรพอจะเชื่อมโยงกันได้ก็โยงกันไปค่อยๆให้เขาพัฒนาไปเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ยเราตกลงเทวดาเทวดาก็รับเข้าระบบธรรมะไปหมด ความสัมพันธ์เรามนุษย์กับเทวดาก็เป็นเรื่องธรรมะพอเราจับหลักนี้ได้อะไรต่ละดูมุ่งกลืนหมดเลยหมดปัญหาท่านมีอะไรสงสัยไหมครับอนิมต์มีนิดหนึ่งครับเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าอย่างเรื่องยมบาล น, คคนะครับเป็นคติพุทธหรือเปล่าครับคือเดิมพรามเขามีมาก่อนโอพยมนี่เป็นเทพผูพ้ยิ่งใหญ่เลยนะอยู่ในรุ่นพระอินทร์เลย อินวรุณยมเทพประชาบดีพวกเนี้ยเป็นเทพรุ่นแรกที่ยิ่งใหญ่มากนิยมเทพก็ยิ่งใหญ่มาแต่เดิมยมเทพมีมาเดิมแล้วก็มาเข้าคติพุทธศาสนาก็แบบเดียวกันนี่แหละฮะคติพุทธเราก็ให้มีธรรมะเข้าไปมีพระสูตรหนึ่งเลยนะพระยายมเนี่ยทําหน้าที่ถามคนที่ตายจากโลกมนุษย์ไปก็จะไปพบพระยายมเนี่ย พญายามก็จะถามว่าเมื่อท่านอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยท่านเคยเห็นเทวทูตไหมเทวทูตอะไรก็คือคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายคนทำบาปแล้วถูกจับถูกลงโทษเขาเรียกว่าถูกลงธันตกรรมกร่อนถูกลงโทษคือคาเป็นต้นคนนั้นก็จะบอกเคยเห็นแล้วพญยายามก็จะถามว่าแล้วท่านได้ความคิดอะไรไหมถ้าไม่ได้ความคิดท่านมัวประมาท เช่มแล้วก็ทำแต่กรรมชั่วอ่าก็กลายเป็นว่าจะต้องไปรับผลกรรมชั่วนี้ถ้าหากว่าเป็นคนที่รู้จักคิดได้เห็นคนเกิดแก่เจ็บตายก็จะเห็นคติธรรมดาของชีวิตของมนุษย์เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นผลของการทำความดีความชั่วว่าเราไม่ควรจะปล่อยตัวประมาทควรจะทำความดีเว้นจากความชั่วอะไรจะไรนะถ้าทากรรมดีก็ควรจะไปสู่ทางที่ดีเลย ก็เลยกลายเป็นพยายมนี่เป็นเหมือนกับเทวดาที่ตัดสินคนที่จะไปนรกไปสวรรค์เลยอันนี้ก็มีเรื่องพยายมอยู่ในพระสูตรเหมือนกันคติบุธศาสนาก็เอาไอ้เรื่องในแง่ที่เกี่ยวกับธรรมะนั่นแหละเข้ามาคือจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการอ้อนวอนการที่จะมาพิโรธลงโทษ ด, ด้วยความโกรธแล้วก็ให้คุณให้รางวัลด้วยการที่โปรดชอบใจไม่มีแบบนั้น ของเขาก็ต้องอ้อนวอนกันให้ให้หายพิโรธไม่ให้กโกรธไม่ให้ลงโทษแล้วก็ให้ชอบใจให้โปรดปรานก็เป็นคติคนละแบบในเรื่องของพญาโยมขอแทรกอีกนิดเดียวเนะมื่อกี้บอกแล้วนี่บอกว่าเดิมพระอินใหญ่ที่สุดแล้วต่อมาพอเข้าสู่ชมบูตวีปสังคมนี่เริ่มสงบอยู่กันเป็นหลักเป็นฐานแล้วพวกปัญญาชนก็เริ่มใหญ่ขึ้นมา ประชาชนก็พวกสืบจากฤาษีก็เป็นพวกพราหม์พวกเนี้อันนี้พวกที่ศึกษาลงลึกเขาบอกว่าเทวดาที่ใหญ่ขึ้นมาที่มีชื่อเนี่ยคือพระพระฤหัสบดีก่อนพระพรหมเนี่ยยังไม่ขึ้นพระพระฤหัสบดีใหญ่พระพระฤหัส บ, ด, สบดีนี้ก็เป็นพวกครูเป็นพวกเจ้าตําราเป็นพวกนักวิชาการและก็อีกเทพหนึ่งซึ่งใหญ่มากมาแตะเดิมเหมือนกันตั้งแต่สมัยพระอินทชื่อประชาบดี ประชาบดีนี่แหละที่มาเป็นองค์เดียวกวับพระพรหมที่หลังประชาบดีนี่แปลว่าเจ้าแห่งประชาประชาก็คือประชาชนก็คือมูสัตว์ก็คือเจ้าพ่อนะนั่นเองนะเจ้าพ่อเทวดาที่เป็นเจ้าพ่อผู้สร้างมนุษย์เขาบอกว่าพระนัสสบดีและประชาบดีนี่แหละที่มาเป็นพรหมก็เป็นเทวดาพวกสันติหนึ่งก็สร้างโลกสร้างมนุษย์ด้วยแต่เพราะกันนั้นก็เป็นฝ่ายวิชาการเป็นพระครูอาจารย์ก็เป็นหน้าที่ของพระราม แล้วเป็นที่น่าสังเกตพระฤหัสบดีเป็นเทพผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูฝ่ายกรีกโรมันไปตรงกันได้ยังไง mm hmm. กรีกนี่เทพพระเจ้าสูงสุดเจ้าสวรรค์คือ mm hmm. ซูสซูสท้าอ่านแบบเราเรามักจะอ่านว่าซีอุดไม่ใช่ซีอุ่นะสีอุดสีอุดก็แซดอูเ e อเป็นเจ้าสวรรค์สวรรค์ของพวกกรีกเนี่ยอยู่บนยอดเขาโอลิมปัส ยอดเขาโอลิมปัสเป็นที่สถิตของพวกเทพทั้งหลายมีเทพเจ้าซีอุสซูสเป็นต้นเป็นเจ้าสวรรค์ของอินเดียชมบุทวีปเทวดาทั้งหลายก็อยู่บนเขาเทวดาสูงสุดก็อยู่บนยอดเขาพระสุเมนอันนี้เห็นไหมดูสิกรีกอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสเทพเจ้าซีอุสซีอุสเนี่ ฮอร์โมนเป็นใหญ่ก็มีเจ้าสวรรค์เทพใหญ่ที่สุดชื่อจูปิเตอร์จูปิเตอร์ก็คือพระพฤหัสบดีและจูปิเตอร์โรมันบอกเป็นองค์เดียวกับซูสซิอุสซิอุ ส, อสหรือซูสของกรีกเนี่ยก็เป็นจูปิเตอร์ของโรมันจูปิเตอร์ของโรมันก็คือพระพฤหัสบดีพระพฤหัสบดีก็มาตรงกับพฤหัสบดีของชมพูทวีปอินเดียเป็นเทพเจ้าผู้ใหญ่ขึ้นมา ต่อจากพระอินทร์มันเป็นเรื่องที่ว่าจะคล้องจองมันยังไงกันก็แล้วแต่นะให้คิดดูก็เป็นเรื่องที่ว่าน่าศึกษามีเกร็ดเล็กๆน้อยๆเยอะแยะและเทพเจ้าพวกนี้ก็เป็นใหญ่เป็นยุคยุคกันไปก็อย่างที่ว่าพระอินทร์มาแล้วก็พระนาสบดีประชาบดีมาเป็นพรหมล้วต่อมายุคหลังอีกตั้งหลายร้อยปีก็มีพระนารายพระอิศวรที่ว่าใหญ่ขึ้นมาก็เป็นยุคยุกันไป เรื่องเยอะหรือเกินเกล็ดเหล่านี้ก็ไว้ค่อยคุยกันใหม่กันแล้วกันนะเดี๋ยวเวลามันจะกินเข้าไปมากเรื่องพูดไปก็เรื่องโน้นมาเรื่องนี้มามีอะไรสงสัยไหมถ้าไม่มีวันนี้ก็คงเทนี